ชีวิคนเราบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปดังใจหวังต้องประสบกับเหตุร้ายเหตุร้ายนี้ก็ทจริงมันก็แย ก, กเป็นสองอย่างนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยมันเป็นข้อสรุปนะของ ความทุกข์ของผู้คนไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดไม่ว่าจะยุคสมัยใดประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเช่นเจอความเจ็บความป่วยเจออุปสรรคทำการงานแล้วก็เกิดล้มเหลวทำธุรกิจก็แปลว่าขาดทุนยับเยินถึงขั้นล่มละลายหรือว่าเจอความต่อว่าด่าทอ อันนี้เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เช่นสูญเสียทรัพย์ แ, แหวนเงินทองถูกคนปล้นสมบัติที่มีก็ถูกโกงไปหรือว่าเราก็ได้คือสูญเสียคนรักเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยซึ่งทางพระเรียกว่าอนิจฐานลมแต่ว่าคนทั่วไปก็เรียกว่าเคราะ หลายคนก็ตดตั้งคำถามในเชิงตัดพ้อไม่ได้ว่าทำไมถึต้องเป็นชั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันก็อุตส่าห์ทำความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลมาหรือว่าฉันไม่ควรต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยฉันไม่เคยเบียดเบียนใครฉันไม่เคยทำร้ายคดโกงใคร ทำไมจึงเป็นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยวเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้นก็จะมีหลายคนพปายอธิบายว่าเป็นคงเป็นเพราะว่าทำกรรมไม่ดีมาก่อนไอ้คาว่าก่อนนี่หลายคนก็จะนึกถึงชาติปางก่อนเลยทีเดียวนะชาตินี้อาจจะทำความดีมาแต่ว่าชาติที่แล้ว ทำไม่ดีมันก็เลยส่งผลทำให้เกิดเคราะห์ใเครอบแบบนี้เนี่ยคนก็มกักจะอธิบายว่ามันเป็นผลของกรรมแต่ปางก่อนเราก็เลมมยมักจะเรียกวมรวมรว่าเคราะกรรมนะเหมือนกับบงบอกว่าเนี่ยไอ้เคราะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตซึ่งบางครั้งเนี่ยการพูดแบบนี้มันก็ หรือคำอธิบายแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ทําให้คนที่ประสบเคราะห์นี่เขาสบายใจเท่าไหร่บางคนก็อาจจะยอมรับได้นะที่ฉันสูญเสียเงินไปเป็นแสนนี่เพราะชาติที่แล้วฉันไปโกงเข้ามาพอคิดแบบนี้หรือว่าได้ฟังคําอธิบายแบบนี้ก็พอทําใจได้แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้ พอรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นธรรมเสียเลยมันไม่ถูกต้องบ่อยครั้งเนี่ยคำอธิบายโดยใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยคำอธิบายเรื่กฎแห่งกรรมมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นนะกับเคราะห์หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นความสูญเสียที่รุนแรง อย่างเช่นพ่อแม่ที่สูญเสียลูกซึ่งอายุยังน้อยก็กับความถึงกับับแค้นใจแล้วว่าทำกรรมอะไรมาถึงต้องมาสูญเสียลูกนะเด็กเขาไม่ควรจะตายจากไปในวัยที่ยังเล็กน้อยอยู่ มันมีนักโทษคนหนึ่งเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตข้อหาฆ่าผู้คุมในเรือนจำโอเ้เขาก็รับแค้นมากนะยิ่งมีคนอธิบายว่าเนี่ยเป็นเพราะกรรมเพายิ่งนะเกิดความเจ็บปวดเพราะว่าเขาไม่เคยฆ่าใครเลย ทำไมจึงต้องมาโดนตัดสินประหารชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลยกดแห่งกรรมนี่ไม่ช่วยทำให้เขาสึกดีขึ้นบางที า, งาถึงกับขนาดตั้งคำถามเลยว่ามันมีจริงหรนะือให้กดแห่งกรรมเนี่ยเขาก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะที่มาเยี่ยมเยี่ยนเขาเป็นประจำแล้วเขาก็ตัดเพนะ ว่านี่เป็นพะกรรมของผมเลยถึงต้องมาตุกตัดสินปานชีวิตแบบนี้กดแห่งกรรมอันนี้มันใช้ได้ที่ไหนอาจารย์ก็ก็ตอบดีนะครับก็ตอบว่าควาว่ากรรมเนี่ยหรือกดแห่งกรรมเนี่ยนะมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย เราจะทำอย่างไรต่อไปอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ต้องไปถามหาว่าเนี่ยเป็นเพราะไปทาอะไรมาจึงต้องมาเจอแบบนี้แต่ให้พิจารณาว่าเมื่อเราเจอแบบนี้แล้วเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อไป อันนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าแล้วคำว่ากรรมเนี่ยหรือกฏแห่งกรรมเนี่ ย, รร ม, ยมันสำคัญตรงนี้แหละข้ออธิบายของอาจารย์ท่านนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาพูดถึงกฏแห่งกรรมเนี่ยเจอพระเมื่อตัวเองเจอเคราะเจอโศกเจอทุกข์เจอความสูญเสียแล้วเนี่ยเรามักจะ ถามหาเหตุผลหรือคำอธิบายว่าอะไรทำให้เรามาอยู่ตรงนี้อะไรทำให้เราต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าคำถามแบบนี้นี่มันไม่เคยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้วมันคืออะไร แล้วก็มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้แต่แทนที่จะถามว่าอะไรหรือทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หรืออะไรทำให้เราต้องมาอยู่ตรงนี้มาถามใหม่ดีก ว, ว่าว่าแล้วเราจะทำอย่างไรต่อจากนี้ไปกฎแห่งกรรมเนี่ยมันสาหรับคนที่ประสบเคราะห์เนี่ยคำถามแบบที่สำคัญกว่า วิธีโกนแต่งกายเนี่ยมันมีประโยชน์2 อ, อย่างนะในแง่หนึ่งมันก็เป็นการเตือนให้เราระมัดระวังในการทําสิ่งไม่ดีถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ผาสุขราบรื่นเก็ควรจะทําความดีถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเราตกตะก้าลําบากเราก็ไม่ควรทําความชั่วนะให้ระมัดระวังการกระทําของเรา นะอันนี้คือประโยชน์แง่ที่1 น, นะมันเตือนให้เราระมัดระวังในการกระทําของเราอย่าทำไปด้วยวอํานาจของกิเลสหรืออย่าลูกแกลโทสะนะทำในสิ่งที่จะต้องทำจะต้องนําความเดือร้อนมาสู่กับเรามาสู่ตัวเราในภายหลังนะนี่ ค, คือความหมายหรือประโยชน์ง่ที่1 น, นะเตือนเป็นตัวเตือน ไม่ให้ทำชั่วทำแต่ความดีอไอ้สองเป็นคำแนะนำนะอันนี้สำหรับเวลาที่เจอกับทุกข์แล้วเจอกับเหตุร้ายแล้วคำแนะนานคือว่า เ, ออเราจะไปต่ออย่างไรซึ่งตรงเนี้มันอยู่ที่มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้อย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยสูญเสียลูกที่ยังเล็กบางคนก็ ขมขื่นคับแค้นเศร้าโศกเสียใจอาจจะกลดาชะตากรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะยังจมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตยังฟังใจอยู่ความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วหรืออีกทางนึงคือว่า แล้วเลกถึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีกับแต่กันและกันแล้วเลิกถึงความรู้สึกดีๆที่ลูกนะสมัยที่ลูกยังอยู่กับเราเก็บเข้าไว้ในความทรงจำหรือว่าเปลี่ยนความเศร้าเนี่ยให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำความดี เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อ, อย่างมีแม่บางคนเนี่ยนะเมือ่อสูญเสียลูกอายุยังไม่มากนี่ยัยงวัยรุ่นก็เสียใจนะอยู่พักใหญ่เลยแต่วันนึงก็ได้คิดว่าเนี่ยตอนที่ลูกยังอยู่เนี่ยลูกชอบเย็บเย็บผ้าแม่เนี่ยซื้อ จากเย็บผ้าให้กับลูกเป็นของขวัญวันเกิดลูกก็ใช้จากเย็บผ้าเนี่ยเย็บเสือ้อเย็บผ้าต่างๆมากมายตอนนี้ลูกจากไปแล้วทํำยังไงถึงจะทําให้ความตายของลูกมีความหมายนะก็ใช้จากเย็บผ้าของลูกเนี่ยนะเย็บหน้ากากอนามัยนะขายนะช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆ เพื่อได้เป็นทุนนะช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เขากำลังรับผู้ป่วยจนล้นเตียงจนล้นวอร์ด น, นียิ่งทำเนี่ยนะเขาก็ยิ่งคลายจากความเศร้าโศกนนยิ่งทำเนี่ยก็รู้สึกปิตินะที่ได้นำเอาจากเย็บผ้าซึ่งเป็นมรดกของลูกเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ ทำให้แม่นี่คลายจากความเศร้าโศกได้รวมทั้งลูกๆนี่ก็มาช่วยกันทำลูกและความสัมพันธ์กับแม่ก็ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยอัตราหนักว่ารับรู้ว่าเนี่ยลูกเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ลูกเคยบอกว่าลูกอยากจะปลูกป่าแต่ลูกก็าตายเชีก่อนแตเพียงเป็นวัยรุ่นแม่ก็เลยเนะ เวลานึกถึงลูกก็คิดถึงการปลูกป่าก็ไปปลูกป่าปลูกต้นไม้นะบนภูเขาที่ไกลบ้านปลูกเวลา1 0บยี่สาสต้นปลูกทุกวันปลูกทุกวันยิ่งทำก็ยิ่งชื่นใจนะเหมือนกับว่าชีวิตของลูกได้ปแปลสภาพไปเป็นป่าที่เขียวขจี หลังจากทําไปสิบปีโอ้โมันเป็นป่าเขียวกขจีขึ้นมาเลยนนี้เป็นเรื่องของกรรมนะคือว่าพอเวลาเราเจอความโศกหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่หลอกเคราะแล้วเนี่ยแลกฎแห่งกรรมเขจะบอกว่าเราควรจะทําอย่างไรต่อไปเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์แพนใจหรือว่าเราควรจะทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือว่ารู้จักยกจิตยกใจให้ก้าวข้าม ความทุกข์กดแห่งกรรมมีประโยชน์เมื่อมันช่วยทำให้เรามองไปข้างหน้าและเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจกดแห่งกรรมผิดมันก็มีแต่ทำให้เราชอบโหยงกลับไปมองข้างหลังว่าอะไรทำให้เราต้องมาเจอแบบนี้เสร็จแล้วก็บางทีก็คับแค้นใจหรือโกรธแค้นชะตากรรมที่จริงเนี่ย ควรเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดมากเลยนะคือไปเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราประสบอยู่ตอนนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นผลของการกระทาในชาติปางก่อนอันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะลัทธินี้ชื่อว่าปุปเพกะตะเหตุว่า คือความคิดว่าหรือความเชื่อว่าสิ่งที่เราประสบในวันนี้เนี่ยไม่ว่าสุขสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีล้วนเป็นผลจากกรรมในปางก่อนปางก่อนนี่คือชาติที่แล้วชาติโน้ น, นคนไทยเดย่าชาวพุทธจำนวนมากนี่มีความเชื่อแบบนี้และเข้าใจว่าเนี่ยคือคำสอนของพระเจ้า แต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นลทัทธิความเชื่อนอกพุทธศาสนาเลยทีเดียวการที่จะโยนอะไรต่ออะไรไปที่กรรมในชาติปางก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรานิยมกระทำกันมากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคำสอนในพุทธศาสนาเลย ที่ยังขนสอนด้วยซ้ำนะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นอจินไตนะอจินไตนี่มีสีข้อข้อหนึ่งก็คือกรรมมวิสัยอจินไตคือเรื่องที่ไม่สามารถจะหาคำตอบได้ด้วยการคิ ด, ค, ดคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆข้อหนึก็คือนะกรรมมวิสัยหรือว่าไอที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย หรือเหตุดีก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคราะหหรือโชวเนี่ยมันเกิดจากการกระทำในชาตินั้นๆเกิดจากการกระทำนีน่้ในชาตินั้นๆมันเป็นสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ด้วยความคิดท่านอยู่แล้วจิตใจเสียเวลาคิดปล่าๆแต่ก็มักจะมีคนชอบอธิบายให้คำตอบนะว่า ที่เป็นอย่างนี้ที่ป่วยอย่างนี้เพราะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มาในชาตินั้นชาตินี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนี่มันก็เชื่อไม่ได้เพราะ ม, มันไม่ใช่วิสัยของาคนธรรมดาเนี่ยจะจะตอบได้แล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สาหรับบางคนก็ช่วยทำให้สบายใจเออเราเคย ทำไม่ดีในชาติที่แล้วชาตินี้ก็ใช้กรรมไปสําหรับบางคนคําตอบแบบนี้ก็รับได้แต่สําหรับหลายคนเดี๋ยวนี้มันรับไม่ได้ล้ามันจะดีกว่านะถ้าว่าเราเอ า, เอากดแห่งกรรมเนี่ยหรือเอาคําสอนเรื่องกรรมนี้มาใช้ในความหมายที่ว่ า, เ, าเมื่อเจอแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อไปมันนีจะเกิดผลดีที่สุด มันคล้ายๆกับแม่ครัวนะที่พบว่าเมื่อถึงคราวจะทำครัวเนี่ยเครื่องครัวก็มีไม่ครบวัตถุ ด, ดิบก็ขาดแต่แม่ครัวที่เก่งเนี่ยเขาจะไม่หมวแต่บ่วนวอยวายตีโพลตีพายว่าอะไรทำไมมันจึงขาดโน่นขาดนี่แต่เขาจะมองว่าเออแล้วจะเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ย มาปรุงเป็นอาหารที่ดีได้อย่างไรคนที่อยากจนครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อแม่แยกทางกันถ้ามาโมาแต่ติออกชกครัวว่าทำไมจึงต้องมาอยู่ในครอบครัวแบบนี้ฉันทำกรรมอะไรมาแบบนี้ก็มีแต่จ ะ, จ, ะจมปรักนะอยู่ความทุกข์แต่ก็มีหลายคนนะที่เขา อมองไปข้างหน้าว่าเนี่ยเออแล้วฉันจะออกจากทุกข์ออกจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรหลายคนก็พยายามขยันหมั่นเพียร น, นะหางานทำเรียนไปด้วยหางานทำไปด้วยนะช่วยพาตัวเองใหนะ้ก้าวข้ามความทุกข์ยาก แล้วก็บางทีไม่ใช่ช่วยตัวเองเดียวช่วยครอบครัวให้ก้าวพ้นจากความยากลำบากอาศัยความยากลำบากนั่นแหละนะเป็นเครื่องฝึกฝนเป็นสิ่งกระตุ้นให้หลุดพ้นจากความยากลำบากได้กแตแญญงกรรมที่จริงเนี่ยท่านเน้นนะถึงความสำคัญของปัจจุบันหากว่า สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลจากอดีตเนี่ยมันก็ไม่ใช่อดีตชาตินะแต่เป็นอดีตในชาตินี้เช่นเป็นเพราะว่ากินเหล้ามากติดบุหรี่ก็เลยเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นเพราะกินเหล้ามาไมยเลยประสบัติเหตุ ที่การเรือเป็นเพราะว่าไม่ขยันหมั่นเพียรเพิดเพลินกับทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาจนกระทั่งสมบัติไร้รอ้อเพราะว่าใช้ไปกับการเที่ยวการเสพสุขการพ น, นันก็เลยลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ถ้าว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะเราประสบกับความทุกข์ประสบกับความยากลาบากใช้กฎแห่งกรรมให้เป็นประโยชน์ด้วยการทําความดีและความดีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ดีที่กายที่วาจ่ายอย่างเดียวนะมันต้องดีที่ใจด้วยเพราะว่า ถ้าฝึกใจไว้ดีโดยเพราะฝึกด้วยการภาวนาเนี่ยแม้ว่าการกระทาในอดีตจะทำให้เกิดเคราะห์เกิดเหตุร้ายเกิดทุกข์เช่นเจ็บป่วยแต่ถ้าฝึกใจไว้ดีนะพยายาขันแข็งในการบาเพ็ญภาวนาจเจริญสติทำสมาธิมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วย ไม่ว่าทำกรรมอะไรมาในอดีตซึ่งมีผลถึงปัจจุบันแต่มนุษย์เราเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์เพราะวิบากนั้นได้ทุกที่วานนี้โดยเพาะทุกใจนะเช่นอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีมาจนกระทั่งต้องเจอเหตุร้ายต่างๆแต่ว่า หรือบางทีมันอาจจะไม่เป็นเพราะอะไรเจอทำอะไรมาแต่มันเป็นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในวิสัยของเราได้มันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของเราเลยไม่ได้เกี่ยวกัรรมเลยอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยนะเราต้องมาเจออากาศหนาวเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยไม่เกี่ยวกัการกระทำของเราในอดีตเลย แต่ว่าพอเจออากาศหนาวแล้วเนี่ยเรารักษาใจไว้ดีมันก็หนาแต่กายแต่ใจไม่ทุกหรือว่าเรากำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนามันมีเสียงดังรบกวนไอเสียงดังนี้ก็ไม่มันก็ไม่เกี่ยวกับการกระทาของเราในอดีตเลยมันเป็นเรื่องของคนอื่นแท้แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ เพราะว่าเรารู้จักรักษาใจนะเสียงดังก็ดังไปนะแต่ว่าใจไม่ไปยึดไม่ไปเกอกเกี่ยวอันนี้ก็ทำให้หลุดจากความทุกข์ได้ไม่ว่าเจอเหตุร้ายอะไรไม่ว่าเจอข้ออะไรก็ตามทั้งที่เป็นผลจากกา ร, การทำของเราในอดีตหรือไม่เกี่ยวเลยแต่คนเราก็สามารถที่จะ กล้าวจากทุกได้ถ้าว่าได้ฝึกจิตเอาไว้งั้นถ้าเรารู้จักการกันเนี่ยถ้าเรารู้จักฝึกจิตด้วยการเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นครูเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไป เ, เ, เป็นเครื่องฝึกใจให้มีสติมีขันติความอดทนหรือใช้เหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นเครื่องสอนใจให้เห็นถึงความไม่เที่ยง นะเห็นถนึงความเป็นไตรลักษณนะ์อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็ถือว่าเรากำลังทํากรรมดีและกรรมดีนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยก้านวะข้ามความทุกข์บางทีเหตุร้ายอาจจะไม่เปลี่ยไมแปรเปลี่ยนเห่นความสูญเสียก็เกิดขึ้นไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่จากไปไม่หวนคืนมาแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ ถ้ารู้จักวางใจวางใจในที่นี้ก็มีสติรู้ทันนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วจักวางหรือว่ามีปัญญาเห็นนะความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนั่นะถ้าเรารู้จักฝึกใจไม่ใช่ด้วยการภาวนาในรูปแบบอย่างเดียวแต่ ร, รู้จักเอาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย มาเป็นเครื่องฝึกใจมาเป็นสิ่งสอนใจหรือว่าสิ่งเตือนใจเตือนใจใหเห็นถึงความแม่นแน่นอนของชีวิตเป็นต้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีความพร้อมในการที่จะก้าวออกจากทุกข์ได้ในยางที่เจอทุกข์ดูหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านพูดดีนะคนดีเนี่ยใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้ ขี้หมาคนดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทาความดีด้วยกายด้วยวาจายด้วแต่ว่าฝึกใจให้ดีด้วยพอรู้จักฝึกใจให้ดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาเจอขี้หมามันก็กลายเป็นดอกไม้หมายความว่าเจอคำต่อว่าด่าทอมันก็กลายเป็นสิ่งที่สอนให้เกิดปัญญาอันเนี้ยคือกรรมนะที่เราควรจะใส่ใจ แล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ได้ไม่ว่าทุกข์นั้นเนี่ยหรือเหตุร้ายเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรนะเกิดจากการกระทำของเราในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือว่าอาจจะเกิดจากอดีตในชาติปางก่อนน่นก็ได้รื ว, ว่าจะไม่เกิดจากอะไรเลยนะแต่มันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของปรากฏการ์ถ้าเราใช้กแห่งกรรมเป็นเนี่ยนะ มันจะทําให้เราก้าวออกจากทุกข์และทําให้เราเนี่ยสามารถจะหลุดจากอิทธิพลของการกระทําในอดีตได้ในอดีตจะเคยสัมมาเละเทเมาจนกระทั่งต้องเจ็บต้องป่วยบางทีถึงกับพิการแต่ว่าพอได้มาฝึกจิตนะสร้างกรรมใหม่มันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจาไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่ร่างกายจะขยับพลิ้นไปไหนไม่ได้เพราะวาความป่วย จากการกินเหล้าหนักแต่ว่าใจิตใจก็เป็นอิสระได้อันนี้เราเป็นอิสระจากอิทธิพลของกรรมเก่าเพราะว่าได้ฝึกจิตเอาไว้โดยเพราะการภาวนาจนกระทั่งสามารถอยู่กับทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุก<ม>ข์อ่าคำนี้พุทโธนินนะกลับ